มีใครอยากจะถามอะไรัหมวันนี้ก็เป็นวันพระวันที่เราเข้ามาหาธรรมะกันวันทมวันฟังเทศฟังธรรมวันหาความรู้หาแสงสว่างแห่งธรรมคนเราจะบรรลุธรรมได้ต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ในใจถ้าอยู่ในใจก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้ตอนนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในหนังสืออยู่ในใจของครูบาอาจารย์แต่ใจของเรายังมีความมืดบอดอยู่เราจึงต้องมีวันพระเพราะวันพระเป็นวันฟังธรรมวันธรรมวัฒสวรรควันที่เราจะได้น้อมเอา ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะไม่ได้แสงสว่างแห่งธรรมเข้ามาในใจการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ยินก็จะไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้การบรรลุธรรมขั้นต่างๆมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์เพราะทำขั้นต่างๆเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆเหมือนกับคนที่หลุดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บ มมนเรามีโรคภัยอยู่สี่ห้าโรคด้วยกันเช่นโรคทางศีรษะโรคทางท้องโรคทางกระดูกโรคทางอะไรต่างๆอวัยวะต่างๆโรคทางปอดโรคทางหัวใจโรคทางตับเราก็ต้องรักษาแต่ละโรคให้มันหายไปยาที่จะรักษาโรคแต่ละโรคนี้ก็ มีต่างกันไปยารักษาโรคหัวใจก็อย่างหนึง่งยารักษาโรคสมองก็อย่างยารักษาโรคกระเพาะก็อย่างรักษาโรคตับโรคไตก็ อ, กอย่างอย่างหนึง่งต้องรักษากันไปเป็ น, นโรคโรคไปในของเราก็เหมือนกันมีโรคภัยมีความทุกข์ ในหลายระดับด้วยกันเราก็ต้องมียามารักษาความทุกข์ที่มีหลายระดับนี้ให้หมดไปจากใจการบรรลุธรรมจึงมีหลายขั้นด้วยกันท่านแบ่งไว้สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิฎาคามี ขั้นที่สามพระ อ, อนาคามีขั้นที่สี่พาาระอรหันต์นี่คือความทุกข์สี่ระดับความทุกข์ระดับของพระ อ, อนาคของพระโสดาบันก็เป็นความทุกข์ในระดับขอ ง, งร่างกายคือความทุกข์เกี่ยวกับความตายของร่างกายความทุก เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาเราไม่สบายนี่นอกจากร่างกายไม่สบายแล้วใจเรายังไม่สบายไปกับร่างกายด้วยเวลาเราร่างกายจะตายเดี๋ยวช่วยเบาเบาลาร่างกายจะตายใจเราก็ทุกไปกับการตายของร่างกาย ทั้งๆที่ใจเองก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตายก็ไม่ใจก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายแต่ใจเรากลับไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายเพราะใจเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจเราเกิดความหลง ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอย่างร่างกายนี้ของเราที่มีอยู่นี้เราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เป็นของเราตั้งแต่เกิดมานี้เราคิดว่ามันเป็นของเรามาตลอดจนมันกลายเป็นความจริงไปเหมือนกับเวลาที่เขาสลับเปลี่ยนเด็กเวลาเราไปคลอดที่โรงพยาบาลเขาเอาลูกคนอื่นมาให้เรา เราก็เอากลับไปบ้านไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาจนโตก็ ค, คิดว่าเขาเป็นลูกเราเขาเป็นอะไรเราก็ร้องห่มร้องไห้เสียออกเสียใจแต่ลูกของเราเป็นอะไรเรากลับไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกเราเสียแล้วเขาเป็นลูกของคนอื่นไปเสียแล้วเวลาที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลเขาสลับลูกให้กัน ก็เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นลูกของตอนเองพอเป็นอะไรก็ร้องห่มร้องไห้ทุกไปกับลูกของคนอื่นส่วนลูกของตอนเองกับไม่ทุกไม่ห่วงไม่ห่วงพราะไม่รู้เพร่ะหลงนี่ก็เหมือนกันร่างกายนี้มันเกิดมามันก็เราก็ไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะเราไปติดอยู่กับมัน เราคือใจใจที่สั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆใจนี้เป็นเหมือนฝาแฝดเป็นคู่แฝดกับร่างกายร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจทำอะไรไม่ได้ร่างกายไม่มีใจก็กลายเป็นซากศพไปใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรใจมาได้ร่างกายตอนที่ เกิดการผสมเชื้อของพ่อกับของแม่มารวมกันพอมีเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันใจที่ไม่มีร่างกายก็มาซื้อใบจองจองร่างกายนี้เลยเข้ามาเข้ามาควบอยู่กับร่างกายนี้ทันทีตั้งแต่เป็นน้ำสองหยดตั้งนั้นเอง เวลาก็ผสมเทียนเ้าน้ำของพ่อมาหยดหนึง่งเอาน้ำของแม่มาหยดหนึง่งมาผสมในหลอดแก้วพอมันติดปับ๊บเนี่ใจที่ไม่มีร่างกายก็มาขออาศัยอยู่แล้วก็ไปหลงว่าเป็นตัวของใจหลงว่าใจเป็นร่างกายพอออกจากท้องแม่มาก็คิดว่าเป็น เป็นใจตลอดเวลาเป็นตัวเราของเราตลอดเวลาพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็ร้องหง่มร้องไห้วิตกกังวลวุ่นวายไปหมดไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งเป็นเนื้องอกยังไม่ทันหมอเป็นมะเร็งใจก็ไม่ค่อยสบายแล้วรอดูผลก็เอาเชื้อไปตรวจดูเอาเนื้อไปตรวจดูว่าเป็นอะไรถ้าเป็นมะเร็ง ก็ยิ่งตกใจยิ่งกลัวใหญ่ถ้าบอกไม่เป็นมะเรงก็เบาใจหน่อยแต่มันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีมันไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันหน้าเพราะจุดหมายปลายทางของร่างกายนี้ก็คือความตายนี่เองมันไม่ได้เดินทางไปไหนมันเดินทางไปสู่ความตายแต่ใจที่อยู่กับร่างกายนี้ มันไม่ได้เดินทางไปสู่ความตายมันเดินทางไปสู่การเกิดใหม่ต่อร่างกายนี้ตายแล้วใจนี้มันก็ไปเกิดใหม่ต่อแต่ใจกลับไปกลัวความตายทั้งๆ ท, ท, ที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่รู้ว่าตนเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้รู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกาย ก็ไม่มีใครสอนพวกเราโชคดีได้มาเจอคนสอนคนที่รู้ความจริงคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสัพเพธรรมาอนัตตารูปังอนัตตารูปังก็คือรูปประขันรูปประขันก็คือร่างกาย ที่มีอาการ3 2ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่เรามารับเป็นมรดกมรดกตกทอดพ่อแม่ให้เรามาแต่เป็นมรดกชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่ท้าวนไม่ใช่มรดกท้าวอน ได้มาแล้วก็ต้องหมดไปก่อนที่จะหมดเราก็สามารถที่จะเอามันมาทาประโยชน์ได้เอามาฟังเทศฟังธรรมเอามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของความตายของร่างกายในระดับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ผูที่ มีปัญญาที่สามารถปฏิบัติต่างที่พระเจ้าทรงสอนได้ก็แยกใจออกจากร่างกายได้เห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันเป็นพี่เป็นน้องกันใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องใจเป็นผู้ดูแลน้องเลี้ยงดูน้องสั่งเสียน้องสอนน้องให้ทำอะไรต่างๆ แต่น้องเป็นคนเอาภาพวาสนาอายุไม่ยาวแปดสิบเก้าสิบปีก็ต้องตายแต่พี่นี้มีวาสนามากพี่มีอายุยืนพี่ไม่มีวันตายแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นน้องพี่ไปหลงคิดว่าเป็นน้องคิดว่าเวลาน้องเป็นอะไรพี่ก็จะเป็นไปด้วยพี่ก็เลยวุ่นวายแต่น้องกลับไม่วุ่นวาย เพราะน้องเขาไม่มีความรู้เ อ, อเขาไม่มีความรับรู้ว่าเขาเป็นอะไรร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเ อ, อเขาไม่มีความรู้ผู้ที่มีความรู้ก็คือผู้ผู้รู้คือใจใจที่ถูกความหลงครอบงำก็เลยต้องทุกกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนเพอะ ใจอยากจะให้สิ่งที่เป็นของตนนั้นอยู่กับตนไปนานๆ น, นั่นเองไม่อยากจะให้ของที่เป็นของตนต้องจากตนไปพอได้อะไรมาแล้วก็จะยึดติดจะรักจะห่วงจะไม่อยากให้จากตนไปได้สามีได้ภรรยามาก็รักก็ห่วงไม่อยากให้เขาจากเขาไปได้ลูกมาก็ไม่อยากจะให้จากไป ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของอะไรต่างๆมาก็ไม่อยากให้จากไปได้ยศถาบรรดาศัก์มาก็ไม่อยากจะให้จากไปได้คำสรรเสริญเยินยอก็ไม่อยากให้จากไปได้ความสุขทางตาหูจมูกร่างกายมาก็ไม่อยากจะให้จากไปแต่ของต่างๆที่เราได้มานี่เป็นมรดกชั่วคราวรงนั้นเป็นของชั่วคราว เป็นสมบัติชั่วคราวเพราะมันเป็นของที่ต้องเสื่อมไปหมดไปท่าเรียกว่าเป็นอนิจจังของทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่ถาวรไ ม, าไม่แน่นอนอยู่วันนี้พวกนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้ดีวันนี้พวกนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ ไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะดีก็ได้มันมีขึ้นมีลงกลับไปกลับมาใจที่ไปยึดไปสิดอยากจะให้มันเป็นอย่างเดิมก็จะต้องทุกข์เสมอองค์เจ้าสามารถที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้เป็นอ น, นิจจังไม่ถาวรไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ของทุกอย่างนี้พอได้มาปับ๊บมันก็จะเริ่มเก่าไปทีละเล็กทีละน้อยซื้อของอะไรมาก็ตามซื้อมาวันแรกก็ใหม่เอี่ยมแล้วมันก็เริ่มเก่าไปเรื่อยเรื่อยรถยนต์ซื้อมามันก็ใหม่ขับไปเรื่อยเรื่อยเนื้วมันก็เก่าแล้วต่อไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมต้องคอยซ่อมคอยรักษาและในที่สุดก็ซ่อมรักษาไม่ได้ ก็ต้องจากกันไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามต้องมีการชำรุดสุดเซง ม, มีการเสื่อมลงไปมีการหมดสภาพไปต้องตายไปในที่สุดผู้ที่ฉลาดก็จะไม่หลงไม่ยึดติดผู้ที่เห็นอ น, นิจจังในร่างกายก็จะเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ว่าเกิดนะแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไม่มีใครยับยั้งได้ไม่มีใครห้ามได้ยาจะวิเศษขนาดไหนอาหารจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ ในแบบไม่มีใครสามารถย้ำยักยับยับย้งให้ไม่ให้พาทิศขึ้นไม่ให้พาทิศ ต, ตกได้ถึงเวลาพาทิศจะขึ้นเขาก็ขึ้นถึงเวลาเขาจะตกเขาก็จะตกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ยิไม่มีใครมาควบคุมบังคับสั่งให้มันไม่ไม่นิง่งไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆคนชะลา แทนที่จะไปพยายามยุดไปควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาทำใจดีกว่ากลับมาสอนใจให้ยอมรับความจริงดีกว่าเพราะความจริงนี้ถ้าเห็นความจริงแล้วจะไม่ทำลายจิตใจความไม่เห็นไม่ไม่เห็นความจริงนี้ต่างหากที่จะทำลายจิตใจพอไม่เห็นความจริงก็คิดว่าจะสามารถ ควบคุมบังคับสิ่งต่างๆได้ควบคุมบังคับให้ร่างกายไม่แก่ได้ก็พยายามหาวิธีทำให้ร่างกายไม่แก่กันด้วยวิธีต่างๆดึงหนังกันยืดกันไปเดินวนเรื่อยๆเดินยังไงเดี๋ยวมันก็เหีย่ยวลงไปเดี๋ยวมันก็ย่น้ามาลงไปออกกำลังกายวิ่งทำอะไรให้แข็งแรงยังไงถึงเวลามันก็หมดแรง เล่งไม่ไหวแต่ก็ไม่ไม่ไวายที่จะทำทั้งๆที่รู้ว่าทำไม่ได้ก็ยังดันทุลังทาไปให้เหนื่อยไปเปล่าๆแล้วพอมาเจอความแก่เจอความเจ็บก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ถ้ามาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่า ให้ทำใจเสียมหัดทำใจรับความจริงกันดีกว่ามายอมรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปฝืนด้วยความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่ความแก่ที่เป็นต้นเหตุไม่ใช่ความเจ็บไข้หน่ป่วยไม่ใช่ความตายที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจคือ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะไม่เห็นความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วจะสบายใจจะไม่ทุกข์ใจนี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาทำใจกันมายอมรับความจริงกัน พราะเวลาเรารับความจริงได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็จะบรรลุเป็นพลาโสดาบันขึ้นมาได้ตัดความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายไปได้นี่ก็ทําขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งความทุกข์ขั้นที่หนึ่ ง, ห, งหรือโรคภัยไข้เจ็บอโรคชนิดหนึ่งก็จะหายไปจากใจ โรค ก, กลัวความแก่โรค ก, กลัวความเจ็บโรค ก, กลัวความตายก็จะหายไปจะอยู่กับร่างกายไปอย่างสบายร่างกายจะแก่ก็สบายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายจะตายก็สบายไม่เดือดร้อนนี่คือการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งการที่สองก็มีโรคภัยที่เกิดจากความว้าเหวงอหงอย อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเศร้าซึมต้องมีแฟนต้องนอนกับแฟนมีแฟนร่วมหลับนอนด้วยเวลาอยู่กับแฟนนอนกับแฟนมีความสุขเวลาแฟนไม่อยู่ก็มีความทุกข์มีความว้าเหวอันนี้ถ้าอยากจะไม่ว้าเหวเวลาที่ไม่มีแฟนก็ต้องหัดทําใจ เวลาเกิดความคิดถึงแฟนก็ให้คิดถึงศพของเขาคิดถึงเวลาที่เขาตายไปคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาถ้าแฟนตายวันนี้ยังอยากจะเก็บศพเขาไว้ในบ้านนอนกับเขาหรือเปล่าหรือจะยกให้สับปเปลือกไปละทีนี้ก่อนตายนี่หวงใครจะมาแย่งนี่ไม่ยอมพอตายแล้ว ต้องขอเชิญสัปปะเล่ย ม, มายกให้สัปปะเล่ยไปได้อย่างง่ายดายต้องคิดถึงสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายของแฟนถ้าอยากจะไม่ต้องอยู่กับแฟนอย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความว้าเหวก็คือเวลาคิดถึงแฟนอยากจะนอนกับแฟนก็ให้คิดถึงเวลาที่เขาเป็นซากศพไปแล้วอคิดถึงซากศพของเขา ยิ่งเฉพาะตอนที่ตายสามวันห้าวันไปแล้วยิ่งดีดูเขาศพขึ้นเอิดขึ้นเอิดพองขึ้นมามีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาจากร่างกายดูสิว่าอยากจะอยู่กับเขาอยากจะนอนกับเขารือเปล่าอืมนี่คือขั้นรักษาความทุกข์ใจที่เกิดจากความไปหลงรักคนอื่นหลงรักร่างกายของคนอื่น คิดว่าร่างกายของคนอื่นสวยงามอยู่ใกล้เขาแล้วจะได้ความสุขแต่พอมองเข้าไปลึกๆ ก, ก็จะเห็นว่าร่างกายของเขาเนี่มันก็สวยแค่ผิวหนังนี่เองถ้าผ่าผิวหนังออกมาลอกผิวหนังออกมาก็จะไม่น่าดูใต้ผิวหนังก็มีเนื้อใต้ผิวเนื้อก็มีเอ็นมีกระดูกมีกระเพาะมีลำไส้มีตับมีไตมีปอด มีหัวใจมีเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะ <c oughs> นี่วิธีทำลายความรักของร่างกายของคนอื่นถ้าเห็นร่างกายของคนอื่นไม่สวยไม่งามก็จะไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะให้เขามาเป็นแฟนถ้าร่างถ้าร่างต้าแฟนไปเป็นอมาะพึกงอมตพาดไปนี้เรายังจะรักเขาหรู้เปล่า ถ้าแฟนเป็นโลกเลือนขึ้นมาเราจะรักเขาหรือเปล่าถ้าแฟนถูกไฟไหม้ผิวหน้าถูกไฟไหม้ยังอยากจะเอาเข้ามาเป็นแฟนหรือเปล่าให้มองส่วนนั้นบ้างถ้าเห็นส่วนที่ไม่น่าดูแล้วก็จะไม่อยากจะอยู่ไม่มันไม่อยากจะมีอารมณ์ร่วมกับเขาไม่อยากอย่าง้ ไม่อยากจะอยู่กับเขาไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเรา อ, อยู่คนเดียวสบายกว่าดีกว่าอยู่กับผีเด็บนี่แหละคือการรักษาความทุกข์ใจที่เกิดจากคนที่นอนคนเดียวไม่ได้คนนอนคนเดียวไม่ได้นี่ต้องคิดถึงอสุพะอยู่เรื่อยๆอคิดถึงซากศพคิดถึงอาการว่า อ, อ, อาการสามสิบสองของร่างกาย โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังผ่าหนังออกมาดูแวก อ, อกมาดูดูภายใต้ อ, อกว่ามีอะไรบ้างดูโครงกระดูกดูหัวใจดูตับดูปอดดูลำไส้ถ้าเห็นส่วนต่างๆของร่างกายความหลงที่คิดว่าร่างกายสวยงามอยากจะได้เขามาให้ความสุขกับเราก็จะหายไป ก็จะไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะนอนกับใครอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวเราวไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามที่ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะยังไปเห็นว่าร่างกายของคนอื่นสวยงามอยู่ใกล้เขาแล้มีความสุขอันนี้ต้องแก้ด้วยการพิ จ, จารณา อสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดอารมณ์ปั๊คิดถึงเขาปั๊ก็นึกถึงศพของเขาบ้างนึกนึกถึงกะระเพาะลำไส้ของเขาบ้างนึกถึงหัวใจนึกถึงปอดนึกถึงกะโหลกศีรษะเวลานึกถึงหน้าเขาก็นึกถึงกะโหลกศีรษะที่อยู่ใต้ผิวหนังผิวหน้าเขาบ้างมันอยู่ด้วยกันแล้ว มองแต่ข้างนอกไม่มองเข้าไปข้างในถ้ามองเห็นข้างในแล้วก็จะจะไม่เกิดอารมณ์อยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขาอยู่กับเราอยู่คนเดียวสบายกว่านี่คือการรักษาโรกใจระดับที่สองที่สามระดับที่สองก็คือทำให้อารมณ์เบาบางลงไป ทำให้ความว้าเหวความเศร้าส้าอยงอยเหงาเวลาในขณะที่อยู่ตามลําพังนี้เบาบางลงไปขั้นที่สามก็คือทําให้มันหมดไปเลยจะไม่มีความรู้สึกเศร้าส้า อ, อยหงอยเหงาว้าเหวอยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายแสนจะสุขไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมากังวลกับใครอันนี้ต้องเห็ น, หนสุภาษิตตลอดเวลา เวลาเกิดการมาลมปั๊นี่จะต้องเห็นอสุภะทันทีอ น, นึกอยากจะหาแฟนปั๊นึกถึงอสุภะของเขาปั๊มันก็จะหายไปทันทีแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้จะไม่รู้สึกว่าเว่าเศร้าส้อยหงอเหงาเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างมีความสุขถ้าไม่เห็นอสุภะนี้เวลาเป็นไม้ก็จะเป็นไม้แบบความทุกข์ อยากจะหาคู่ใหม่หาแฟนใหม่เพราะอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันว่าเว่แต่พอเห็นอกสุภอาแล้วมันก็จะดับความรู้สึกเหงาความว่าวเว่ไปได้เพราะมันหยุดความอยากที่จะมีแฟนได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟน <c oughs> นี่ก็คือธรรมะขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษากัน แล้วเอามาสอนใจการสอนใจนี่มันยากกว่าสอนลิงซะอีกลิงนี่มันยังพอจะสอนได้มันดื้อยางตีมันได้แต่ใจเราดื้อนี้เราไม่กล้าตีมันเวลามันดื้อเช่นมันอยากจะดื่มสุราเราไม่ให้มันดื่มเราก็ไม่กล้าตีมันไม่กล้าขัดใจมันพอมันอยากจะดื่มมากๆก็ต้องป่าพามันไปดื่มจนได้ มันอยากจะไปนอนไปมีแฟนก็ต้องพามันไปหาแฟนไปนอนกับแฟนก็ได้วิธีที่จะสอนให้มันไม่ดือ้อก็คือต้องสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่บ่อยๆสอนอยู่ทั้งวันเลยอย่างพระพุทธเจ้าให้สอนสอนสอนตัวเองว่าเราต้องตายให้เราเล็กถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เวลาใดที่เราไม่เราลึกถึงนี่เราลืมเลยเราจะคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่อยากตายทั้งทีแต่ถ้าเราคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะไม่คิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่มีความอยากที่จะไม่ตายเพราะมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นเราต้องพยายามซ้อนมันอยู่ตลอดเวลาเวลา ยกเว้นเวลาที่เราเข้าไปทําใจให้สงบไปพักใจตอนนั้นเราก็หยุดสอนใจชั่วคราวตอนนั้นเรียกว่าเป็นการทําสมาธิทําใจให้สงบใจจังใจทํางานมากๆสอนใจมากๆก็เหนื่อยพิจารณาทำอยู่บ่อยๆก็เหนื่อยก็ต้องหยุดพักหยุดพักเข้าไปพักในสมาธิไปทําใจให้สงบ ไปกินข้าวเป็นพักก่อนหลับนอนเหมือนกับร่างกายเวลาทำงานมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องพักงานกลับบ้านไปอาบน้ำ อ, อาบท่ากินข้าวพักผ่อนหลับนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปทางานต่อ <c oughs> ใจก็เหมือนกันเวลาตั่งสอนใจด้วยธรรมะอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดความเหนื่อยก็ต้องหยุดพักพ่อน กลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบขณะทำสมาธินี้ไม่ให้สอนใจไม่คิดถึงเรื่องอะไรให้อยู่กับอารมณ์เดียวเช่นพุโทโธพุโทโธไปหรือนมหายใจเข้าออกไปจนกว่าจิตมันจะสงบนิ่งแล้วก็พักอยู่จนกว่ามันจะออกมาจากสมาธิพอออกมาแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะสอนใจต่อไป รักษาโรคไหนก็เอาอยานั้นมารักษาเอาที่เราโรคไปก่อนถ้ากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็สอนมันว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ากลัวความตายก็สอนมันว่าต้องตายต้องตายหนีไม่พ้นคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคิดว่าพร้อมที่จะรับความจริงก็ไปทดสอบดู ถ้าพร้อมที่จะรับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลองนั่งไปนานๆให้มันเจ็บแล้วอย่าไปขยับอย่าไปลุกออยู่กับ ม, มันไปสมมติว่ากําลังเป็นโรคเป็นนํากําลังเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นโรคอะฮิวาหรือโรคมารลายเรียสมัยก่อนพระจะโดนโรคนี้มากอยู่ในป่าจ ะ, จะโดนจะโดนไข้ป่ากันเวลาไข้ป่าเื่อนี้มันปวดล้าวไปทั่วร่างกาย ก็เหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วมันเจ็บปวดแล้วไปตามร่างกายก็สมมุติว่าเรากำลังเป็นโรคไข้ป่าแล้วก็ไม่มียารักษาเราก็ต้องใช้ธรรมโอสดคือใช้ธรรมใช้ปัญญาแยกใจออกจากกายสอนใจว่าใจไม่ได้เป็นไข้ร่างกายเป็นไข้ก็เรื่องของร่างกายไปปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไป เขาจะหายหรือไม่หายนี่ก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับใจหายใจก็เป็นเหมือนเดิมไม่หายใจก็เป็นเหมือนเดิมใจเป็นเพียงผู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลาเวลาเป็นไข้ก็รู้เวลาหายจากไข้ก็รู้ไม่ได้เปลี่ยนไปใจไม่ได้ดีไม่ได้เสียไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเออ ถ้าไปอยากให้มันหายมันจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีแล้วมันจะเจ็บขึ้นมาทันทีเจ็บสองชั้นเจ็บที่ร่างกายแล้วมาเจ็บที่ใจอีกชั้นหนึ่งเพราะใจอยากจะให้ร่างกายหายอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เป็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนัตตา มันจะเจ็บไม่เจ็บเพไปสั่งมันไม่ได้มันไม่เจ็บจะสั่งให้มันเจ็บก็ไม่ได้มันไม่มันเจ็บจะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้อยู่กับมันได้มันจะเจ็บหรือไม่เจ็บเราอยู่กับมันได้เราต้องพิสูจน์ความจริงอันนี้ให้เห็นให้ได้ว่ามันจะเจ็บหรือมันจะไม่เจ็บมันไม่เป็นปัญหากับเราแต่ที่เป็นปัญหากับเราก็เพราะว่าเราไปอยากให้มันหาย ดเราต้องไม่อยากให้มันหายเราต้องเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักตอนนี้มีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยลองพราบาลเยอะแยะไปไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาเลยเราต้องเป็นอย่างนั้นกับร่างกายเราตอนนี้ร่างกายของเรามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือให้รู้เฉยๆ อย่าไปยุ่งกับเขาอยากไปอยากให้เขาไม่เจ็บอย่าไปอยากให้เขาหายจากความเจ็บเวลานั่งแล้วเจ็บต้องใช้ต้องใช้ปัญญาสอนใจอย่างนี้ถ้าสอนใจแล้วใจเข้าใจมันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เพราะใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายนั่นเองใจไปสร้างความเจ็บขึ้นมาเองด้วยความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป พอรู้ความจริงรู้ว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เบอยกให้มันเจ็ดก็ก็จะทาให้เราเจ็ดซ้าสองขึ้นมาก็อย่างน้อยเราหยุดความเจ็บไปได้ครึ่งหนึ่งความเจ็บใจนี้รุนแรงกว่าความเจ็ดของร่างกายเสียด้ซ้าไปถ้าไม่มีความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้สบายมากสอบอม อ, อ, อยู่กับมันได้ไม่เป็นปัญหา ที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจที่ผลิต ท, ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่คือปัญญาพอเห็นชัดแล้วว่าความเจ็บที่ยิ่งใหญ่นี้คือความอยากให้ร่างกายหายเจ็บแล้วการที่จะไม่ทำให้เกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็คือต้องเห็นว่าความเจ็บของร่างกายเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ดับมันไม่ได้ พอรู้อย่างนี้ก็ปล่อยพอปล่อยแล้วก็อยู่กับมันได้ความเจ็บที่คิดว่ายิ่งใหญ่ก็เลยนิดเดียวความเจ็บที่แท้จริงมันดับไปแล้วคือความอยากความกลัวความเจ็บของร่างกายนี้มันถูกปัญญาทำลายไปหมดมันหยุดความอยากให้ร่างกายหายเจ็บได้มันก็สบายเช่นเดียวกับความตาย ถ้าเราพร้อมที่จะเข้าพิสูจน์กับความตายก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวที่มีภัยอันตรายที่เราคิดว่าจะทำให้เราตายได้เช่นสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปหาเสือกันไปหาเสือมามามาสร้างความกลัวตายเราเจอกลัวเจอความกลัวตายก็จะได้ใช้ปัญญามาดับมัน สอนมันว่าร่างกายนี้มันถึงเวลามันก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ความตายของร่างกายนี้ไม่เป็นภัยกับใจไอ้ทิ่งที่เป็นภัยกับใจก็คือความอยากไม่ตายความอยากนี้ก็คือสมุทัยที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาองนี่คือการเข้าห้องสอบก่อนจะเข้าห้องสอบก็ต้องทำการบ้านก่อนต้องซ้อมไว้ก่อนท้อม เตือนใจสอนใจว่าร่างกายต้องตายนะต้องปล่อยนะร่างกายต้องเจ็บนะต้องปล่อยนะพอ้อมคิดว่าพร้อมแล้วก็ไปเข้าห้องสอบดูถ้าจอบผ่านก็สบายต่อไปจะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บไม่มีความทุกข์กับความตายนี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีคําสอนของพระเจ้านี่ไม่มีใครที่จะบรรลุนนธรรมได้ไม่มีใครที่จะทําใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ไม่ทุกขก์ไปกับความตายของร่างกายได้ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องอยู่คนเดียวได้อต่พอมีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมียามารักษาโรคใจธรรมะท่านถึงมักจะเรียกว่าธรรมโอษฐ ยารักษาโรคใจเวลาร่างกายไม่สบายเราต้องกินยาสองชนิดชนิดแรกก็ยารักษาร่างกายไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอเขารักษาไปส่วนใจที่วุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็ต้องใช้ธรรมะอุศต้องสอนใจว่ามันร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะหายก็หายมันไม่หายก็ช่วยไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอนัตตาความตายเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็เลยไม่ไปอยากให้มันหายหรืออยากไม่ให้มันเป็น เมื่อห้ามไม่ได้แล้วไปอยากทําไมอยากไปแล้วมันทุกข์ไปเปล่าๆถ้าอยากแล้วมันห้ามได้ก็ก็น่าอยากแต่มันอยากเมื่อมันมันไม่ได้ทําให้มันหายไปมีแต่จะทําให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจต้องมียาทั้งสองชนิดเวลาเป็นอะไรส่วนใหญ่เราจะรักษาทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ใจเราก็วุ่นไปกับ การรักษาจะหายวูบก็ต่อเมื่อมันหายเจ็บเนี่ยถ้ามันไม่หายเจ็บมันก็วูบอยู่อย่างนั้นหายแล้วเดี๋ยวมันก็วูนใหม่อีกเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวต้องเป็นอีกอดังนั้นเราต้องรักษาใจที่สําคัญกว่าร่างกายเพราะใจเราไม่มีวันตายถ้าเรารักษาโรคใจหายแล้วมันก็จะหายไปตลอด ไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนมันจะไม่ถ้ามันรักษาโลกนี้หายแล้วมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่เป็นโลคนี้อย่างพระโสดามันนี้ท่านจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายถึงแม้ว่าท่านยังต้องกลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติท่านก็ไม่ทุกข์กับมันท่านจะมาทุกข์กับในเรื่องที่ต้องอยู่กับแฟนี่เพราะท่านยังไม่เห็นอสุภะ ถ้าท่านเห็นอสุภาแล้วท่านก็ไม่อยากจะมีแฟนแะอยู่คนเดียวสบายนี่คือเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาศึกษากันเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้รักษาความทุกข์ใจให้มันหมดไปจากใจวันพักก็มีจุดประสงค์ตรงนี้ตรงที่ให้พวกเราได้ปล่อยวางภารกิจการงานการหาเงินหาทองา่าเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย ที่ยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ท้ากินทักวันหนึ่งไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นทำให้จิตใจเรามีธรรมโอสถมีปัญญาที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่จะตามมาต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติ สอนใจอยู่เรื่อยๆทำใจแยกใจออกจากกายด้วยการทำใจให้สงบเวลาใจออกจากความสงบกลับมารวมอยู่กับใจรวมอยู่กับร่างกายก็คอยสอนคอยเตือนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีความรู้อย่างนี้คอยเตือนใจเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจ พอมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่เกิดความอยากให้มันไม่เป็นนั่นเองมันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาการแสดงก็คิดว่าออสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวะเรวาหาปุลาภะิรุเรนติสาขะลาวเอวัเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิดเป้าเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติ อาลาสุยท้าสภีเตโยวิวัชันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขิที่ายุโกภาอภิวาตนาสีฤทิจังุทธาปจายโนยตโรธัมมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลง ใครอยากได้นังสือซีดีธรรมะก็ขอเชิญมาหยิบได้นะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาหูตาจะได้สว่างใครอยากจะเอาข้าวของอาไรเข้ามาประเคนก็เอาเข้ามาได้ไปเป็นตาไม่เคยเอจอแ น, น่จาดวันทีออกไหมถ้าออกวันปีไหนสองหกสองหกอะไรอ๋อเราไปยื 8, 6, 6. นในแปดสองห อาจารย์อยู่ชุดเดียวอาจารย์สุดทาหรือเปล่าคะน่าได้กันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์สุดทำอาจารย์มันชัยอ๋ออาจารย์ของชุดใหญ่นั้นใช่ไชุดใหญ่แต่เราออกมาก่อนเลราคนแรกเลยเราออกมาสองหกชุดใหญ่ก็ออกมาสองแปดองเก้า ในตอนนั้นเข้าไปปีไหนนะเข้าไปหารูปตาหนึ่งกว่าเหมือนกันพอวันศาลไม่เคยเอส่วนใหญ่ก็จะไม่คบญาติโยมเพราะหลวงตาท่านจะให้ไปภาวนาท่านจะไม่ให้ผ้ามานรแขกรับคนจะมีแต่หลวงตารับญาติโยมคนเดียวถ้าเราฉันเจก็นล่กับสุติไปภาวนาในชงคมนะญาติโยมยังไม่ค่อยรู้จักพระกันเท่าไหร่ แต่ว่าพระยาสุธรรมยมรู้จักอหลวงตา ม, ตมาที่นี่ผมก็ไม่ได้มามีท่านมานะผมไม่โดนตอนแรกก็เลยไม่รู้จัก <c oughs> ไม่เคยเจ อ, <c oughs> อท่านจ้ะหลวงตาบางทีท่านมาท่านก็ไม่ให้ใครตามมาครับตอนที่เรามาใหม่ๆเนี่ท่านก็มาอยู่เรื่อยๆแต่ท่านมาองเดียวมากับกับลูกศิษย์คนสองคนนะมาคอยมาดูมาเยี่ยมตา้งต่ปีสองหกมานี่ท่านก็มาอยู่ปีสองปีท่านก็แว้งมาที ต้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะไปส่วนสาธรรมอ๋อจ้ค่ะโอ้ใช่่าธรรมรู้สึกว่าลูกเลยลูกลูกนสายธรท่านก็ท่ากับเราก็เป็นญากกันญากทางญาติรู้สึกญาเป็นพี่น้องกันยากิงเขากับาของเรานี่น้องกัยังไงครับผมหลานจ้ค่ะหลน กลับลูกคุณโชจำโมจานะเป็นเด็กดีนะมาลูกนะูี่ทางเขาก็เลยนำเสนอก็ไม่เป็นไรผู้กำกับก็มาผู้กำกับบอกให้มาหลายครั้งแล้วเลยยังไม่ว่างเลยเลยวันนี้พอดีมาก็เลยลองแวะมาผู้กำกับบอกว่ามาซีมาซีบอกหลายครั้งแล้วค่ะ จนได้กิหมดกใช่ใช่ลุกศิลป์หลวงตาอยู่เก่าอยู่กับหลวงตาตั้งสามปีนะเก่าแก่อะตอนตอนช่วยจาผมตามไปตามไปไรหงตามไปทุกแห่งไปกับคนมเไปกับพวกลับอะค่ะเอด้ี่กันแต่ที่นี่ไม่ได้มาแต่ไม่ไม่เคยมาที่นี่ที่นี่ไม่ได้จับผ้าป่านัก ตอนที่ท่านมาครั้งแรกท่านมาที่วัดช่องลมล้วก็ไปกราบท่านที่นั่ค่ะมาช่องลมวัดช่องลมตอนนั้นท่านน้อยยังบัญญัติฉันอยู่ใช่ค่ะผมก็อยู่คอยู่ค่ะีกมาด้วยงมาตามหลวงตามาเมือนกัราก็นั่งนอท่านพอท่านรับแขกเสร็จแล้วท่านก็ให้เราเข้าไปกราบแล้วก็เอาช่วยไปถวายท่านารแต่จำจจำจไม่้ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่ใ่าะไปท่านใหบที่จิตติสองกสอไม่เคยเจอ เราชอบบกดมงไม่อยากจะเจอคนไม่อยากจะรู้จักใครอยู่เงียบๆสบายไม่วุ่นวายรู้จกักญาติโยมเดี๋ยวญาติโยมก็จะมีมุนไปนู่น <c oughs> ไนีนนน่ขอไม่ไปเขาก็จะเสียใจ แต่วนี่ตอนเช้าถ้าจารย์บินบา巴 ท, ที่ตรงไหนะคะต้องลงไปที่วัดยาเนอะอ๋อลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมคะจะมีรถมารับไปบินตะ巴 ท, ที่หมู่บ้านชายทะเลนั้นอ๋อแล้วถ้าจะรอใส่บาปตอนเช้าที่รอที่หน้าวัดเหรอคะก็มีสองที่ที่บินตะ巴ก็อยู่ที่หมู่บ้านชายทะเลเนี่ก็บ้านอำเภอออกจากนิทรรออกไปทางถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาไปประมาณแค่สี่โลกว่าออกจากสุขุมวิทอ่ะถ้าขับรถออกไปกลับไปทางทิศนี้จะต้องไป ออกไปที่ถนงสุฬุมิตรแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปประมาณแค่กิโลกว่าก็จะถึงหมู่บ้านบ้านอำเภอหมู่บ้านบ้านอำเภอก็เบ้านบบ้าบ้าานนอำเภอเอ๋อถ้าถ้าจะไปรับบาตรที่นั่นเหร อ, อแล้วี่จะมาใส่บาตรที่วัดยานตอนเช้ากันนะคุณจาริ์เขาจะรู้ลองคุยถามคุณจารย์ด้วยเขาเขาไปดักใส่บาตรด้วยแล้วเขาก็มาใส่ที่สาราด้วยอืคุณจารย์ก็จะมาสามจุดตอนเช้าไปดักใส่บาตร เสร็จแล้วก็มาที่ศาลาวัดยาเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ขึ้นมาฟังเทศนตอนี้แกจะมาสามจุดเลยพอดีแกไปพม่อแต่คงกลับมาแล้วถ้าอยากจะรู้ก็ลองโทรทางคุณจะเลยให้แกอธิบายให้ฟังโอเคสามจุดคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะมารอรอดักใส่บ้าตอถ้าจะใส่บานก็ใส่ที่บ้านเพือก็ได้ไม่มาดักใส่ที่หน้าศาลาวัดยาแต่จะไม่สะดวกหน้าศาลาถ้ามาใส่ที่ศาลาก็ขึ้นมาที่ศาลาเลยดีกว่า เขาจะขึ้นมาสาราแล้วโยมก็มาใส่บาตรบนสาราได้ก็มีสองที่ที่จะใส่บาทได้พักนี้เังคุณชายปั๊มก็มามาที่นี่ไหมก็มาอยู่เรื่อยๆมาในวันนั้นเขาก็บอกเดี๋ยวนี้ขับรถเองได้เนี่ยเงเหมือนก่อนขับรถมาคนเดียวก็เขาผ่านหลังแล้วอ่ะสดูขึ้นจากคุณชายนั้งแต่สมัยอยู่บ้านตากค่ะ พุ่ชายเมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พันธ์แล้วพอหลวงปู่พันธ์มรณภาพไปท่านก็เลยพุ่ชายก็เลยมากราบหลวงตาที่บ้านตา<ม>ก็เลยได้รู้จักกับพุ่ชายตามนี้ตามนั้นเป็น<ม>คนหมูอ่เป็หมูสองคนเกือบเป็นคนดีพุ่ชายก็ก็พอออกจากบ้านตายเขาก็คอยตามหาเราอยู่เนี่ยคอยสอบพอรู้มาอยู่ที่นี่แกก็ตามมาแกจะรู้คนเดียวไม่มีใครรู้ ที่นี่สงบเนี่ยดีค่ะน้องจ้าก็เคยมานอนที่ศาลานี่คืนหนึ่งเหมือนศาลานี่ตอนนั้นท่านมาพักอยู่ที่วัดช่องหลงแล้วท่านเป็นโรคหัวใจทานนั่นอยากจะหาที่สงบอยู่คนเดียวท่านก็นเลยให้คนโยมขับรถมาส่งท่านแล้วก็มาบอกให้เรามาจัดที่พักให้ท่านบอกพักโรงศาลาเนี่ไปหางวงหาหาเสืยงหาอะไรมาจัดให้ท่านพัก ท่านก็มาเงียบๆพระบอกท่านจะไม่ไปบินกระบะท่านจะไม่ฉันท่านจะอดอาหารท่านไม่อยากจะไปเจอคนญาติโยมเจอแล้วเหนื่อยมันต้องคุยมันต้องอะไรคนเป็นโรกหัวใจนี่มันต้องการพักอืพักผ่อนมันก็เลยไม่ไปบินกระบะญาติโยมที่นี่ก็ไม่รู้ว่าท่านมาตอนเช้าท่านก็มีคุณเองมารับกลับไปอย่างคุณเองได้เนหะ็นพรสวรรค์อ่ เนคาอย่างนั้นเป็นคนพาท่านมามาพัทยาว่าน้องชายของแกนมาเปิดร้านขายเครื่องไฟฟ้าอยู่ที่พัทยาก็เลยช่วยให้นลวงตามาพักผ่อนต่อแสงมันตะมาพักผ่อนแถวนี้สมองสว่างก็เสียไปแล้วนะได้ยินขาเสียไปนั่งเนี่ยเสียหน้าพักใหญ่แล้วค่ะเอ เ ม, มื่อก่อนนี้ก็คุยกันอยู่อันนี้ลูกสาวหลวงตาเจ้าค่ะหลวงา <Okay. S 1> ตาเล่าว่า <Okay. S 1> พ่อแม่ก็มามากเป็นลูกเมียก็เข้าตอนเด็กเจ็บไข้ได้ปวดก็เลยเอามาถวายให้เป็นลูกของหลวงตาหลวงตาก็เมตตา <Okay. S 1> สร้างกุฏิให้แกพักอยู่ที่มั่ ต, <Okay. S 1> ต่กักดิ์แกกเชอาไปทำบุญทำกับข้าวถวายพระอยู่นี่ สมัยก่อนก็เอใช้อาหารคุณเนี่ยคุณพรสวรรค์เพราะสมัยก่อนคนญาติโยมไม่เยอะค่ะตอนนั้นญาติโยมไม่เค่อยมีคนเท่าไรตอนนั้นคุณพรสวรรค์อยู่โยมลี่ก็อยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยก็กุติเขาก็เคยไปพักไปนอนอยู่เรื่องการคุยกันในศาสนามันก็ขึใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ทุกวันนี้พี่ชายกับพี่สะพายเขาก็เอาอาหารไปถวายที่บ้านตาทุกวันะค่ะ คุณไหนคณสิริเรียกว่าคุณค่ะคุณสิริคิริยังอยู่นะเจ้าค่ะอายุมากแล้วนะใก็อายุ7จดสิกว่าเราได้ไานมเลสิริธรรมเรามีน้องมีน้องชายสองคนใช้รัชกับมงคลใช่มมงคลราเปิดหน้าที่พัทยาก็รู้จักครอบครัวนี้ก็ดีเราเ่าเก่าแก่เราเล่าเรื่องเก่าแก่ให้ฟัง ดีใจได้รู้จักกันเดี๋ยวมีโอกาสเดีวพรุ่งนี้เช้าวัะนี im ้มาใส่บาตรตาไปฟังเลยนะรอมตาหน้ากขอไปชุดเอาได้ไปตั้งชุดเลยทุกอย่างเลยไม่ขอเอาไปชุดเลยเอาทุกเล่มเลย ได้ได้ของทีก็ได้อนหนังสือด้วยเนาะสวัดยาจะได้รู้จากบ้านยาจะได้รู้กเอาหนังสือได้จาไปด้วยเสยว่างาด้วยเวัดยาดยคุณชายบอกเลยล่ะไปซีไปซีไม่ไม่ดโอกาสมาก็จริถ้าถ้าฉันไม่เคยลงไปที่สวนใช่ไหมคะไม่เคยไปไหนเลยมันตาดก็ไม่เคยกลับเลย แต่ออกมาคี่คลังขอนี่ไม่เคยไปเหยียบก <c oughs> าสรส่งยงดานก็ไม่ได้ไปสม น, นี้ท่านจะยินมาที่สวนได้สามบทเลนอนได้ินาทางบางทีท่านก็นมาพางที่นี่เมื่อไม่กี่เดือนนี้ท่ายญิงนี่หมุนให้ท่านมาแั่งที่บ้านท่านท่านก็มาค้างที่วันอย่างนี่ก็ได้เจอท่านบ้าง ถ้าอาจารย์อายุมากกว่าท่านจะอินพอไม่หรอกท่านแจกก็สองสามปีนะท่านปีรากางเราปีเจ้าไอ้เปีคุนรู้สึกอ่อนกาสองปีอ่อนกุลเราหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดท่านหกสิบเก้าแล้วงจ้ะแต่ท่านพรรษาเยอะกว่าเราสิบพรรษาเพราะท่านบวชตั้งแต่เป็นเด็แต่ราบวชตั้งแต่อายุยี่บเจตอนนี้เราบวชนี้ท่านก็ได้สิบพรรษาแล้วพรรษาแรกของเราท่านก็เป็นพรรษาที่สิบเอ็ ก็อยู่มัณฑะด้วยกันช่วงนั้นที่ไปท่านก็อยู่หลวงปู่ดีก็อยู่หลวงปู่บุญมีก็อยู่แต่น้วงปู่เพียงย้ายออกไปนะหอวปู่เพียงไปไปสร้างวัดนะเดี๋ยวหลวงปู่ดีกับหลวงปู่บุญมีท่านปัญญาท่านเชอรี่พระับอยู่กันอยู่หมดทีนั้นไม่เยอะพแค่สิบแปดลูกเท่านี้เพราะนั้นหลงพ่อยังรับพระไม่มากนะคะท่านยังไม่รับมากใครใคร ใครได้ให้ท่านรับนี่เดียวเป็นคนที่ว่าโชคดี <c oughs> ดีนั้นท่านรับเราสองสองรูปรับเราก็ท่านสุดใจพร้อมกันท่านสุดใจกับเราเข้าไปพร้อมกันก็อยู่ติดกันนั่งติดกันมาตลอดเวลาฉันก็นั่งติดกันท่านแกกับเราสองพรรษ า, ส, า, าสุดใจอัอออนนี้ท่านดูแก่แนละ้วันก่อนดูรูปท่านเหมือนปูปุรีมาสร้างพิพิธภัณฑ์แม่หลวงตาได้เห็นขาเนี่ยได้ได้ว่าจะเริ่มจะเริ่มปลูกสาลาแล้วเนี่ย มามามาปกสาราวันนัยมก็ส่งเปิดจัดใจไปร่วมสร้างบุณสันทรละเออแต่ว่านั่นจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์เนอนกล่าวที่ของหลวงปู่มั่นที่สกลนครหลวงตาสั่งไม่สร้างเจดีท่านก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเจดีก็เห็นและวิทยุก็ประกาศก็ให้ให้จัดจาสร้าฟังด้วย การโดยยมก็ได้ร่วมบุญไปด้วยกันถ้าหลวงปู่รีทำก็คงจะสำเร็จใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นทาก็คิดว่าคงหลวง่อสุดใจท่านก็ไม่ค่อยใจยุ่งอะไรมากถองกับยังไงก็ตอ้ยังไงก็ได้ออไลน์ออนน์ไปทีไรายงไทีามวาจะผ่านเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ไปเรื่อยๆที่ก็ไม่ได้เวลาม่ก็ก็ขึ้นไปขอาไปที่วัด่อยไปบ้าป่าในปันเนี่ยไม่ได้ทิ้งอะไยมก็ไปค่ะ สองเดือนอะไรมีงานก็ไปทีหรือบางครั้งมีโอกาสก็หารถตู้แล้วก็ไปคับูบาะส่าใช่เหมือนเดิมแหะขาดเหมือนเดิมแค่ะหลวงตาท่านธรรมะยังอยู่เหมือนเดิมแล้ค่ะหลวงตาอยู่ที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายผู้ใดเห็นธรรมพูดนั้นเห็นเราอลวงตาท่านพูาการเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์พยายามฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อย ยิงสมัยนี้มีเสียงท่านอ่านไว้นะวันรับสายก็เหมือนกัท่านอยู่ต่อหน้าเรานี่ยแหละใจได้มากราบทนเ้าะใได้มากราบท่านเจ้าค่ะทาบุญไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะดวงตาอยู่เคยทายังไงสมัยน้องตาอยู่กับสมัยนี้ก็ทำต่อไปเจ้าค่ะทำน่าเป็นอาการลิโกนะเป็นที่พึ่งของใจ มาจากที่ไหนกันลำปางควได้กี่ภาษาละฮะที่นี่นะคะแล้วอยู่ที่ตรไหนแจ่ขึ้นไปบวชที่ลำปางค่ะอ่บ้านอยู่ที่นี่เหรอฮะจันตาลนะบ้านอยู่ที่วัดใช่ไหอ๋อตรงตรงนี้อยู่ที่ลำปางลำปางบวชที่นั่นนะจันตาล่ได้อนไป ที่ลำตางดีไหมที่ทั้งนี้มี่ที่สักสลูกค่ะแล้วที่อยู่สบายไหมได้ภาวนาหรือเป่าก็ม่ทธ่ไดพเราจงปฏิบัติสิเระมีตงีเวลาปฏิบัติของเราเองไหมไม่ต้องทำอะไรทำงานตีของ ก็มีสอานเแล้วก็มีสอแบบธรรมดาค่ะต้องไปครสอนเราสอนหลืเขาสอนก็เราสอนรเป็นูสอนดม่ชต้องบวได้หเอเป็นครูแทบบวหน้าหเดอนก็เป็นอาจารย์ได้น้ชอเป็นผู้ชวะรไ่ง้เาเป็นหัวหน้าแม่ชีเลยี่แม่ชีนแม่ชีล้วก็รเป็นวันไ เส้นัมอยู่ค่ะลสง้างกำลัง้างวามอีกสองตรงข้างเป็นวัดาคเป็นมีของแม่ทีส่วนแม่ทีกับส่วนของพระแยกกันแยกค่ะจะแยกคนสองเลยแต่ตอนนี้ยังรวมกันดีกว่าเรารู้จักคนน้อยมากฝากกันด้วยสอนหน้าสอนดวงตาของหลวงป่มาเลค่ะตเน้นให้ด้่ยเฮ้ยพระซาจิต ฆ่ากิเลสวิธีรักษาจิตก็ต้องฆ่ากิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวทําลายจิตถ้าอยากจะรักษาจิตก็ต้องฆ่าตัวที่จะมาทําลายจิตฆ่าตัณหาความอยากฆ่าความโลภความโกรธความหลงต้องฆ่าด้วยสติฆ่าด้วยสมาธิฆ่าด้วยปัญญานี่อาวุธที่จะต้องใช้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีวันที่จะข้าไมได้ต้องฝึกเจริญสติให้มากๆ พูดโทรัทั้งวันอยาไปคิดตรงแตกนักสมาธิมากมากครับได้รวมแล้วก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังมันทางมากมีค่ากี่เลานะนะารนาสุภาพเนะอร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นธากุโเดินได้อาจารย์ครับ ไ อ, อนน้วันคร บ, รบพลาเสียเลยปีลที่25ครับก็จะเงินเลยพาเสียมากี่ปีแล้วปีเดียวปีเดียวอายุเท่าไหร่ตอนนี้เสียใ้8คนะรับเ่าพออยู่ช่วงนั้นเหมือนกันเป็นช่วงที่จะงต้องเตรียมตัวนะ ดึงแรงพ่อได้เลยเพานัมสติไหลหมดแล้วอรอบตัวเขไปมันต้องมันต้องมาจเจริมที่ตัวเราี้วยคนอนื่นตายไม่สำคัญแค่เราตายคนคนไม่กลัวคัไม่กลัวอะไร ม, ม, รมรนน่ไม่ ก, าามกลัวลัวย ถ, ถ้าไม่อยากเกิดหม่ก็ต้องบวช S <S นนยังบวได้แค่ใจตอ น, น, นแห่ลันิสติต้องเคลียนิสิอยู่บ้าง <S <S ยังมีตันหาความอยากอยู่ก็ต้องเกิดถ้าเราอยากจะเกิด <S 2> <S 2> ก็ต้องจับ <S 2> <S 2> ตันหาความอยากเรตอนนี้ก็ทำด้วยนิสิตทำสีเท่อนนะครบนะแตไม่ได้บวชครบแต่ไม่ไม่มาก อย่าง น, น, นิดอย่างน่นนอยอหอมปากหอมกอภาวนาทุกวันครับสียงก็สียงห้ายังไม่สียนแปดภาวนาทุกวันวันละชั่วโม ง, งมวนันนี้ไม่กลับมาบวชนี่ก็ต้งองภาวนาทั้งวันทั้งวันทั้งคืนก็ยังดียังดีก็ไม่ทำเลย รือว่าเป็นจุดเริ่มต้นต้องพัฒนาขึ้นไปเนยอะมนี่ก็ไม่ปวดไม่อะตอนตันเสียนี่เรียบร้อยเจ้ามันนีม่มาอ้างไ <laughs> <laughs> งถ้าแจนไก่อย่างข่ารหัอาเนี้นะคะที่บอกว่าทายความหวังทั้งตัว น, นี่นะ หมายความว่าไอ้ตัวตัวตังหานี่ยังมีอะไม่มีแนละ้วมันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้เพราะมันไม่มีอะไรหวังน่าหวังเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ยังหวังอยู่ก็ไม่ใช่เอาารร翰อ่ามันตัววัดเหมือนกันเนาะก็ใบหวังอะไรนโลกของอ น, นิจจังโลกของอ น, นั้นน้องไม่มีตัวตนมันก็จะเห็นเป็นความว่างอยู่แล้วใช่ไหมร่างเป็นเป็นเป็นเช่นนั้นเองวันที่ห้า ถ้าขอมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีใจะไปหวังอะไรกับมันนะว่าถ้ต้งหวังความตายมันก็ไม่ผิดหวังถ้าหวังความจริงมันก็ไม่ผิดหวังหวังความแก่มันก็ไม่ผิดหวังถ้าหวังให้ไม่แก่มันก็จะผิดหวังหวังให้ไม่ตายมันก็จะผิดหวังนั่นถ้าจะหวังต้องหวังความจริงอาจารย์คาร์ลใหญ่เขบอกว่าไม่หวังแต่ว่าก็เลยใช้สมมุติอย่างนี้ มันอธิบายได้มากแค่ไหนก็ถ้าเราใช้สมมุติแล้วเราเหมือนแบบเรายังอยากอยู่่งนี้มันมันมันมันใช่ไหมคะแพูดถึงใครพูดถึงตัวเราหรือพูดถึงคนอื่นพูดถึงตัวเราด้วยแล้วก็แบบคําอธิบายด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าอืมตัวไอ้ตัวตัญหานี่นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นสมมุติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้มันใช้สมมติเนี่ยมันแยกออกอย่างไง้ยค่ะว่าไม่อยากกันไม่อยาก ความอยากมันไม่ใช่สมมติมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวที่ทาให้ใจเราทุกข์สิ่งที่ใจอยากนี่มันเป็นสมมุติคือว่ามันเป็นของชั่วคราวอยากรูปเสียงกลิ่นรสอากลาบยศสารเสนเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปก็จะทุกข์ใจเสียใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอะนร้ย่าง ไห้ตามมีตามเกิดอย่างนี้มันจะมาก็มามันจะไม่มาก็เลอกมันมาก็อย่าไปดีใจมันอย่าไปใช้มันอย่าไปอาศัยมันถ้าไปอาศัยมันมันก็จะติดมันพอมันไม่มาก็จะทุกข์เข้าใจไหมคือไม่ให้ไม่ให้อาศัยอะไรในโลกนี้เป็นเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับใจ ใจมีความสุขในตัวแรกวคือความสงบถ้ามีความสงบแล้วมันก็จะตัดความอยากได้ถ้าไม่มีความสงบมันก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเนี่หาเงินหาทองหาคนนั่นหาคนนี้มาอยู่ร่วมกันหารถหาอะไรหาต่างๆร้อยากทางการนี่ก็เป็นความอยากคนไม่อยาก้วก็ไม่ต้องหา แต่ก็ใช้มันได้ถ้ามีคนออกมาให้ใช้เนี่ยของนี้มีคนออกมาให้ใช้ก็ใช้มันไปถ้าไม่มีคนให้ใช้ก็ไม่ใช้มันใช้ก็ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองใช้เพื่อคนอื่นก็คือคำตอบมันจะอยู่ตรงที่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองดีกว่าค่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ในเบื้องต้นนี้ต้องไม่ใช้เลยจะไม่ว่าจะใช้เพื่อใครไม่ใช้เพื่อใครก็ไม่ใช้ ใช้คนอื่นมันใช้เพื่อคนอื่นมันก็เป็นกิเลสได้มันก็เป็นกิเลสใช่เราไปเรียลัยเงินคนมาทําบุญเนี่ยมันก็เป็นกิเลสได้เพราะเป็นความอยากอยากจะเอาเงินเข้ามาทําบุญ <c oughs> ถ้าเขาอยู่ดีๆเขามาขอร่วมบุญด้วยนี้อันนี้ไม่เป็นกิเลสแต่เราไปชวนเ้านี่ด้วยความอยากให้ได้เงินเขานี่มาทําบุญก็เป็นกิเลสเมื่อกี้พี่พระจันท์พูดเรื่องอัตพานะคะ แผนทีดีที่ป้าจังเคให้ที่พวกพวกเราในกลุ่มไว้ร่วมมาดูกันคืนดีมากเลยเป็นค<อ>วามเอยอรมันมเยอรมันเนยะ yeah. ดีคนะ่ะแล้วก็ตุ้มก็ลูกก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถ <Yeah. S 2> ือนะคะลูกเปิดดูลตลอดดูเรื่อยๆดูลล yeah. Yeah. ตลอดเวลาแบบอันนั้นดีมากๆจริงๆห <Yeah. S 2> ายากอย่านี้เแต่บางครั้งภาษาอังกฤษตุ้มลูกก็ บางตัวฟังไม่ได้เข้าใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจ <ขอ S 1> าล่อขอให้แฮรุ ก, ก็พอแนละ้วค่ะอันนั้ <c oughs> น, นดีนจ้ะอาจารย์ของจริงไงก็เอาไว้ดูกันคืนหมาว่าของจริงเลยแก่ลูกลาค่ะ